ใครที่อิจฉาบ้างเป็นพวกพญามารใครอิจฉาแล้วไม่ยกมือบ้างอิจฉาเนีนะทนเห็นคนอื่นเขาได้ดีไม่ได้เห็นคนอื่นเขาสมหวังเห็นเขาเขาจะได้ประสบความสําเร็จไม่ชอบ mm. อิจฉาอย่เนี้ยก็คือพวกพญามารพญามารเนี่ยท่านอยู่ในจุดสูงสุดของเทวดา ในขั้นกามาวจรเทวดาเนี่ยแบ่งเป็นสอ ง, สองประเภทใหญ่ๆกามาวจรกับรูปาวจรกามาวจรก็คือยังมีกามยังมีกามคือยังมีความพอใจในเรื่องเพศเทวดาชั้นต่ำๆเนี่ยก็มีมีสามีมีภรรยาเหมือนกับคนชั้นสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงกับมีสามีภรรยาแบบคนแต่พอใจในการอยู่ด้วยกันในการจูงมือกันไปไหนต่อไหน เทวดาท่าสูงขึ้นไปอีกยังมีกามอยู่แต่ไม่มีไม่มีอะไรมีไม่มีเพศสัมพันธ์แบบคนไม่มีการจูงมือแต่ชอบที่จะยิ้มให้กันคุยกันระหว่างเพศมีนางฟ้ากับมีเทวดาเนี่ยนะก็คุยกันแต่นี่ยังมีกามอยู่ยังพอใจในเพศตรงข้ามอยู่บางคนไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแค่แค่มองกันเฉยๆมองแล้วพอใจเคยไหมมองไปอืม้มสวยดีนี่ก็กามนะ นี่เป็นกรารมอย่างหนึ่งเทวดาชั้นสูงสูงเนี่ยไม่มีกิจกรรมดินด้านเพศสัมพันธ์แบบคนแต่เห็นนางฟ้าแล้วพอใจพอใจอย่างี้เป็นกรารเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรู ป, ปาวจรไม่ยุ่งเรื่องกรารใช้วิธีทำสมาธิแบบอารัมมนูปนิชานถ้าเป็นถ้าเป็นพระพรมนอกาศาสนาก็คือทำ อารัมณูปนิชฌานหาประเภทว่าทำลักขณูปนิชฌานเนี่หายากต้องศึกษาในพุทธศาสนา น, นี้เท่านั้นเนี่ยจึงจะเกิดลักขณูปนิชฌานรมฌานเรียกว่าทำทำรูปฌานบ้างทำอรูปฌานบ้างนะเป็นรูปราวาจรบ้างเป็นอรูปราวาจรบ้างเรฉะนั้นอ๋อถ้าแบ่งให้ละเอียดให้ตรงจริงก็จะมี3ประเภท mm hmm. คือเป็นกามาวาจรคือยังหมกมุ่นอยู่ในกาม รูปราวจรคือทำสมาธิทำฌานโดยเพ่งรูปกับอะรูปราวจรทำสมาธิทำฌานแบบเพง่งอะรูปรู้จักไหม <laughs> เพ่งอะรูปอยู่กับความว่างๆเพง่งเพ่งความว่างหรือเพ่งที่จิตหรือเพ่งความไม่มีอะไรเลยหรือทำสัญญาให้หายไป <laughs> ทำยากและอย่าไปทำ พ่าทำแล้วเนี่ยนะจะไปเป็นพระพรมประเภทว่าชีวิตมีอายุยืนยืนขนาดที่เรียกว่าเป็นหลายหลายกับบางองค์เนี่ยเป็นหมื่นๆมืนกับเสียดายระหว่างหมื่นกับเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาหลายองค์แล้วก็พลาดไปความความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาที่จะทำให้หลุดพ้นไปสำคัญกว่า สําคัญกว่าแต่ว่าท่านไปอยู่ในชั้นอรู ป, ปาวจรซะแล้วไม่มีรูปไม่มีหูไม่มีตาเสียดายไม่มีการรับรู้ตรงนี้นะพูดถึงเรื่องอะไร <c oughs> ในวันที่จะตัดสรูุ้ในวันที่จะตัดสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทำจะทรงทำฌานที่เรียกว่าลักคนูปณิชฌานและพยามารทนไม่ได้พยามารเป็น เป็นเทวดาชั้นสูงสุดของกามาวจรใครที่จะหลุดพ้นจากกามท่านก็ทนไม่ได้อยู่แล้วแต่พญามารเนี่ยเป็นเทวดาที่เก่งเก่งขนาดที่เราว่าขึ้นไปกวนในชั้นพระพรหมได้พระพรหมเคยถูกพญามารสิงเป็นไปได้มีแล้วความเก่งกาจของพญามาร น, นะเรียกว่าริกริกเยอะ เพียงแต่ว่าตอนตอนตายเนี่ยไม่ได้เข้าฌานตายตอนเป็นคนเนี่ยนะพญามารก็เคยเป็นคนมาก่อนตอนจะตายเนี่ยกตอนเป็นคนเนี่ยทฌานได้แต่ตอนจะตายไม่ได้เข้าฌานไม่ได้เข้าฌานตายเลยไปเป็นเทวดาแต่เคยทําฌานได้ก็ทํฤทธิ์ได้เยอะพญามารเห็นพระพุทธเจ้าจะสาเร็จไม่ยอมเข้าไปขัดขวาง นั่นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหัดทาฌานประเภทที่ว่ารู้ลักษณะของของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นอย่างยอมรับสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงคือยอมรับยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นที่พลาดกันคือเพราะว่าเห็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับใจเรานะแล้วไม่ยอมรับก็เลยพยายามแก้ไขไอ้ตอนแก้ไขนี่แหละ มันไม่เป็นกลางมันก็เลยไม่เห็นของจริงทั้งในขณะที่กลางดิ้นรนแก้ไขนั้นก็ไม่เห็นของจริงและแก้ไขก็ไม่แก้ไขได้จริงมันก็มีดีแล้วก็มีชั่วมีสงบแล้วก็มีฟุง้งซ่านเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นซ้าๆดูไปเรื่อยๆจนเห็นจริงๆว่าแก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมรับตัวนี้มันจะพยายามแก้ไอ ปัญญาหรือยานตัวหนึ่งที่เรียกว่าสังขารุเบขาญาณไม่เกิดสังขารุเบขาญาณมาจากคำว่าสังขารแปลว่าความปรุงแต่งอุเบขาคือวางเฉยวางเฉยกับความปรุงแต่งแล้วตัวนี้เป็นญาณเรียกว่าสังขารุเบขาญาณออกเสียงเป็นบาลีหน่อยก็สังขารุเบขาญาณใช้ปอปลาภาษาไทยก็ เปลี่ยนปอปลาเป็นบอใบไม้เป็นสังขารุเบกขาญาณเป็นญาณเป็นญาณคือตัวปัญญาตัวรู้คือใช้ความเข้าใจเอาไม่ใช่เพ่งไม่ใช่เพ่งความเป็นกลางบางคนเรียนมาเหมือนกันว่ามันต้องมีสังขารุเบกขาญาณคือมีความเป็นกลางในความปรุงแต่งก็เลยเป็นเพ่งให้เกิดความเป็นกลางนี่ก็พลาดจุดผิดพลาดมีอยู่หลายจุดหลายตอน ก็ต้องต้องทำความใจกล้ากล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะให้มันแสดงตัวของจริงออกมายอมรับได้ว่าตัวเองนั้นอะจริงๆแล้วไม่ดีหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมีความไม่ดีอยู่มากเลย แต่คนที่ไม่ยอมรับความจริงพยายามปิดบังพยายามสร้างภาพสร้างภาพหลอกคนอื่นก็ยังพอทนสร้างภาพหลอกตัวเองนี่ก็แก้อยากมันพยายามหลอกตัวเองว่าฉันดีแล้วก็ไปหลอกคนอื่นว่าฉันดีมันมีหลอกหลายระดับนะหลอกคนอื่นคือแสดงออกให้เห็นว่าฉันดีพยายามทำตัวนิ่มๆเนิบๆอะไรเนี่ยหลอกไม่ใช่ตัวจริง แต่เขานิ่มๆเนิบๆจากจริงๆก็มีนะอันนี้ไม่หลอกก็มีที่สําคัญคือบางทีมันหลอกตัวเองการหลอกตัวเองก็เลยมีการปรุงแต่งต่างๆนาน า, นาเพื่อให้จิตตัวเองเนี่ยเชื่อว่าจิตเนี่ยดีทั้งๆที่มันไม่ดีมันพยายามแสดงออกมาหรืออยเรื่อว่ามันไม่ดีแล้วไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับก็มีการกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนหลักฐาน แสดงความไม่ดีออกมาก็กลบเกินหลักฐานมันก็เลยไม่เห็นของจริงการกบเกินหลักฐานก็แสดงออกด้วยการบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้มึงทีก็ปัดออกไปไม่ไม่ยอมดูเหมือนมีหลักฐานแล้วตำรวจไม่ยอมดูปัดทิ้งเราต้องทำความซื่อปฏิบัติแบบซื่อๆรู้ซื่อๆแล้วไม่ไปใส่ใจในเรื่องที่รู้แต่ใส่ใจในตัวในจิตนี้ เรียกว่าจิตตังสัญญเมสันติสํารวมลงในจิตไม่ไปเผลอเพลนในสิ่งข้างนอกหัดเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้เวลาเขาด่ามาคนปกติทั่วไปก็คือว่าใย็นนี่น่ปากร้ายมากไอ้นี่ปากร้ายมากใหญ่นี่ปากร้ายมากเวลาฟังเขาด่าก็จะฟังว่าเขาด่าว่าอะไรแล้วเราจะด่ากลับ ไ, ไนี่คือออกออกไป มันออกไปแต่คนที่ฝึกคนที่ฝึกเพื่อเจริญสติให้เห็นของจริงก็ฟังเขาด่าฟังเขาด่าจิตมันบอกไปว่าใหญ่เนี่ยมันร้ายและเกิดโทสะให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มีโทสะและฟังเขาต่อฟังเขาด่าต่อฟังได้เขาด่าว่าอะไรจิตคิดจะด่ากลับด้วยโทสะให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มีโทสะแล้วอยากจะด่ากลับให้ถือศีลเอาไว้ เห็น ไ, ไ, ไหมขั้นตอนเนี้ยมันเหมือนเหมือนกันฟังเขาแล้วโกรธฟังเขาแล้วโกรธแต่คนไม่เจริญสติคือฟังแล้วโกรธแล้วกูจะวางแผนหรือกูจะเตรียมคำไหนโต้กลับไปโต้กลับไม่ทันกูก็จะใช้หมัดใช้ใ ช, ใช้มือกลับไปแต่คนที่เจริญสติคือฟังเขาแล้วโกรธโกรธแล้วมา ย, ย้อนดูใจนี่คือจิตตังสั ญ, ญเมสันติสารวมในจิต อย่างนี้แล้วจะพ้นจากบ่วงของมารมาเรียนรู้เรื่องมารเมื่อกี้บอกมารไปห้าแบบมารที่หมายถึงในในคำพุทธพจน์บทนี้เนี่ยไม่ใช่เทวปุตตมารแต่เป็นกิเลสมารท่านมุ่งให้ดูว่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันมุ่งจะสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพื่อมาพันธนาการจิตตัวนี้อะไรที่มันมาเป็นพันธนาการให้กับจิตตาเห็นรูปสวยๆหูได้ยินสิ่งที่เพราะเพลาะจมูกได้ดมกลิ่นหอมๆลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยๆกายได้สัมผัสสบายๆเย็นก็เย็นสบายไม่ใช่เย็นจนจะเยือกอุ่นก็อุ่นสบายไม่ใช่อบอ้าวตอนนี้อบอ้าวไหมอยากได้ อยากได้อากาศเย็นๆเวลาดูอะไรแล้วชอบใจพอใจนี่ก็เป็นบ่วงถ้าติดใจแล้วไม่ไม่มีสติรู้ตัวติดบ่วงดูแล้วไม่ชอบใจก็เป็นบ่วงไม่ใช่เห็นแล้วชอบใจอย่างเดียวนะเห็นแล้วไม่ชอบใจก็เป็นบ่วงเห็นแล้วไม่ชอบใจก็อยากเห็นอีกนะเคยไหมหนังเนี่ยมันไม่ดีเราก็จะคอยดูมัน ไอ้เนี่ยมันไม่ดีเราจะคอยดูมันคล้ายๆกับว่าแม้มันไม่ดีก็อยากจะดูความพินาศของมันอยากจะดูว่ามันเลวยังไงจะแฉะกลับเ <c oughs> มมันมันมีความความผูกติดแม้กระทั่งว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่น่าพอใจภาษาไทยมีคำหนึ่งว่าผูกโกรธคำนี้ดีนะ โกรธแล้วก็ยังถูกผูกเอาไว้ใจเราผูกเอาไว้เองมันผูกโกรธมันไม่ยอมปล่อยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ชอบอ่ะแต่คอยเงียบหูฟังว่าเจนี่มันทําอะไรต่อใช่ไหมคอยฟังผูกโกรธแม้ไม่ชอบก็ยังติดอยู่ติดบ่วงมานบ่วงมานในที่นี้คือกิเลสมานบ่วงของกิเลสบ่วงของกิเลสเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในชั้น ประมาณอย่างนี้เนี่ยท่านใช้กิเลสกิเลสสมานก็ใช้บ่วงคือความพอใจและไม่พอใจในตาหูจมูกลิ้นกายคือเห็นรูปถ้าไม่มีสติติดบ่วงได้ยินเสียงถ้าไม่มีสติก็ติดบ่วงดมกลิ่นไม่มีสติก็ติดบ่ว ง, วงพระเนี่ยนะเดินไปตามป่าท่านมีกุฏิอยู่ที่ป่ามีดอกไม้ป่าหอม ท่านก็ดมดมด้วยความเพลินชื่นชมธรรมชาติว่าหอมดีดอกไม้นี่หอมจังเลยเพลินเทวดาเทวดามากัสิป บ, บอกท่านท่านขโมยกลิ่นแล้วนะรู้ว่าพระองค์นี้นะนะเคร่งขัดวินัยวินัยในเรื่องการขโมยของเนี่ยท่านไม่ขโมยไม่ขโมยเคร่งคัดมากแต่ดมกลิ่นด้วยความชื่นชมเนี่ย ท่านเทวดาเนี่ยแสดงว่าเทวดาเนี่ยน่าจะเคยบวชพระมาก่อนอยากจะเตือนพระองค์เนี่ยนะว่าถ้าเพลินอยู่กับกลิ่นอย่างเงี้ยนะจิตมันลอยออกไปจิตมันส่งออกไม่สํารวมในจิตท่านก็จะเตือนยังไงให้ท่านสํารวมในจิตท่านก็บอกว่าท่านอย่ามัวแต่ระวังในเรื่องการขโมยสิ่งของนะกลิ่นที่ดมโดยแอบดมและเพลินๆอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นการขโมยนะ เตือนพระองค์ น, นั้นสะดุ้งเลยฮเฮ้อเหรอเออแสดงว่าเราไม่สำรวมฉะนั้นเราต้องสำรวมมากขึ้นอีกสำรวมจิตขึ้นมาว่าจิตที่เผลอออกไปดมเนี่ยก็เป็นการเผลออีกอย่างหนึง่งแล้วท่านก็ได้ดีจากการเตือนของเทวดานั้นพระองค์ที่ฟุง้งซ่านพระองค์ที่ฟุ้งซ่านนั้นสำรวมระวังสำรวมระวังในจิตในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศ แสดงพุทธพจน์บทนี้ขึ้นมาเนี่ยนะให้ดูจิตลักษณะจิตสี่อย่างแล้วท่านในในบาทแรกในบาทแรกเนะี่ยท่านแสดงลักษณะของจิตสี่อย่างในบาทที่สองแสดงวิธีบาทแรกเนี่ยนะจิตเที่ยวไปไกลเกิดดับจีละดวงเป็นนามธรรมอาศัยกายนี้อยู่ นี่ลักษณะของจิตบาตรที่สองท่านบอกว่าให้สํารวมในจิตแล้วจะพ้นจากบ่วงของมารอันนี้แสดงถึงวิธีปฏิบัติบอกลักษณะของจิตแล้วให้มาสํารวมในจิตไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นแต่ดูอย่างอื่นดูได้แต่ดูแล้วให้มาสํารวมในจิตด้วยไม่ใช่ตัดขาดว่าห้ามดูโลกแต่ให้หัดมาสํารวมในจิตบ่อยๆให้เห็นลักษณะของจิต และบอกผลผลจากการสํารวมดูในจิตแล้วเนี่ยจะพ้นจากบ่วงของมารพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการถูกขัดขวางมารเนี่ยแปลว่าตัวขัดขวางตัวทำให้พินาศตัวทำให้ตายตายนี่ก็ขัดขวางสิ่งที่สิ่งที่เป็นประเด็น เป็นจุดสำคัญในในพระสูตรนี้ก็คือว่าให้รู้ลักษณะของจิตแล้วก็ให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ว่าผลของการปฏิบัตินั้นคือผ้นจากบวงของมานั่นเองแล้วท่านก็พ้นเลยท่านบอกว่าบรรลุธรรมเลยมารประเภทที่เป็นเทวบุตรมานี่นะบางทีก็แกล้งการแกล้งนั้นน่แกล้งไม่เว้น แกล้งทั้งปุถุชนแกล้งทั้งจนกระทั่งถึงพระอาหารหันต์แกล้งถึงพระพุทธเจ้าด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยพระโมคคลลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็รู้สึกหนักท้องหนักท้องแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ในท้องถ้าเป็นยุคนี้ต้องไปดีท็อกใครเคยดีท็อกม้งต้องไปดีท็อกออก <c oughs> เป็นนิ่วในถุงน้าดีหรือเปล่าแล้วเป็นนิ่วในตับหรือเปล่านะ ไปดีท็อกแต่พโมกะลาไม่ดีท็อกท่านก็หยุดเดินหยุดเดินแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็มาพิจารณาเกิดอะไรขึ้นวิธีพิจารณาของท่านเนี่ยท่านไม่ใช้ริทประเภทที่เรียกว่าขับไม่เพ่งเอาธาตุไฟไปขับเพราะท่านเผื่ อ, อไว้แล้วว่าบางทีอาจจะโดนมารแกล้งถ้ามารถูกเพ่งด้วยธาตุไฟจะเป็นการทำร้ายมาร ดูสิความเอนดูของท่านนะท่านก็ใช้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านก็ดูไปด้วยตาทิพย์ท่านก็เห็นมารเนี่ยเป็นนั่งอยู่ในกระเพาะมาร น, นี่ก็แบบเหลือทนจริงจริงนะปกติแล้วเทวดาเนี่ยจะอยู่ไกลจากมนุษย์เพราะเหม็นไอ้นี่ยอมทนเพราะอยากแกล้งเคยไหม อยากจะแกล้งใครสักคนเนี่ย ล, ลําบากางไงกูกูดก็จะไปมาเนี่ยนะอยากจะแกล้งอยากจะแกล้งพระโมคคัลลายอมทนไปอยู่ในกระเพาะอาหารและพยายามทาตัวให้หนักๆพระโมคคัลลาก็หนักท้องเหลือเกินเป็นอะไรวันนี้ฉันอะไรแล้วมันไม่ไม่ย่อยหรือเปล่าท่านก็ดูลงไปอ้าวพญามา น, นั่งอยู่ในกระเพาะท่านก็บอกว่ามานอย่าทําอย่างนั้นเลย อย่ายินดีพอใจในการกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้ากับสาวกเลยนะเพราะมันจะเป็นเหตุให้ท่านได้รับผลที่ไม่น่าพอใจพญามารได้ยินเสียงพระโมคคลาพูดอย่างนั้นก็เอ้ยพระโมคคลามั่วหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นเรามาอยู่ในท้องแล้วไม่น่าจะเห็นหรอกพระโมคคลาก็พูดซ้ําอีกมารก็เลยเออสงสยัยจะลองดูซิว่าท่านเห็นจริงไหม ก็ออกจากท้องออกจากกระเพาะอาหารนะออกมาจากกระเพาะแล้วก็ออกปากแล้วไปแอ บ, บอยู่ข้างประตูแล้วก็บอกว่าดูซิว่าจะรู้จริงไหมถ้ารู้จริงก็คงทักว่าเราอยู่อยู่แอ บ, บอยู่หลังประตูถ้ารู้ไม่จริงก็คงพูดต่อซ้ําอีกเป็นครั้งที่สาว่ามานออกมาจากท้องเราเถิดพระโมคคลา บ, บอกว่ามานอยากคิดอย่างนั้น <laughs> อยากคิดอย่างนั้น อย่าไปยืนแอ บ, บข้างประตูแล้วคิดว่าเราจะไม่รู้และคิดว่าเราจงทักอย่างเดิมว่าจงออกจากท้องเราเถิดท่านออกไปแล้วอยู่ที่ประตูอย่าคิดอย่างนั้นเรารู้นะ <c oughs> เหมือนเล่นป้งแปะโป้งเง้ <c oughs> เรียบร้อยมารแผ่นแนบไปเลยบอกถูกรู้ซะแล้วแต่มารเนี่ยยังไม่หนีทันทีนะมารก็ตกใจว่าพระโมคคาานี้เก่งจริงๆเลยเราแอ บ, บอยู่ที่ท้องก็รู้แอบบมาอยู่หลังประตูก็รู้ พระโมคลาบอกว่ามารเราจะบอกความจริงให้อย่างหนึ่งความจริงนี้อาตมาอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยเป็นมารใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าเมื่อก่อนนี้พระโมฆราณนะก็เคยเป็นมารมาก่อนบอกมารท่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เป็นหลานของเราเราเนี่ยเป็นมารชื่อทูศีมารเคยได้ยินไหมไม่ใช่ชูสีนะทูศีแล้วก็ไม่ใช่ทูศีด้วยทูศีชื่อทูศีมารเป็นมารในยุคของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่ากะกุสันทะคือองค์แรกของกับนี้พระพุทธเจ้าชื่อกะกุสันทะมีมารชื่อทูศีคอยลังควานคล้ายๆกับ มารในยุคของพระพุทธเจ้าของเราก็มีมารอีกองคหนึ่งคือองค์ที่กวนพระโมคคลานี่แหละบอกมารชาติที่เราเป็นมารชื่อทูสีมานเนี่ยท่านเน่เป็นหลานของเราในชั้นที่พญามารอยู่เนี่ยก็ยังมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพญามารในยุคนั้นก็มีน้องสาวน้องสาวก็มีลูกชาย ก็ ค, คือท่านนี่แหละยุคนั้นเนี่ยเราเป็นมารชื่อทูสีก็ไปรังควานก็ไปรังควานพระพุทธเจ้าไปรังควานพระอัครส า, าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายอัครส า, าวกเบื้องขวาสมัยนั้นชื่อชื่อหนึ่งชื่อวิทุระวิทุระคล้ายควิทูลบัณฑิตนะวิทุระ เบื้องซ้ายที่มีฤทธิ์มากก็ชื่อว่าสันชีวะสันชีวะนี่แปลว่าฟื้นกับมีชีวิตที่ว่าฟื้นกับมีชีวิตเพราะท่านสันชีวะเนี่ยเดิมเนี่ยคงมีชื่ออื่นท่านชำนาญในการเข้าสมาบัติท่านก็เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยเหมือนไม่มีลมหายใจชาวบ้านมาเห็นก็อ๋อพระนี่ตาย ดูแล้วนั่งนิ่งๆไม่มีลมหายใจโอ้พระองค์นี้ตายเราชาปันธกิจศพนี้เถอะก็เอากิ่งไม้ใบไม้มาเผาเผาเสร็จแล้วก็ไปเผาแล้วไม่ดูหลักไม่ดูหลักฐานดูคือสงเคราะห์พระองค์นี้แล้วก็ไปกลับบ้านท่านสันชีวะนี่ก็ออกจากสมาบัติมาออกจากสมาบัติทั้งทั้งที่ฐานยังแดงแดงอยู่แต่ฐานนั้นน่ไฟทั้งหลายที่เผาไปแล้วเนี่ย ไม่ไม่ไหมจีวรด้วยอํานาจสมาบัติที่ท่านเข้าผมเผิมอะไรก็ไม่มีไม่มีร อ, อยไหมอะไรเลยท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านก็สบัดสบัดจีวร <c oughs> ก็เดินเดินออกไปแล้วบินตาบาดในหมู่บ้านชาวบ้านตกใจเฮ้ย <c oughs> พระองค์นี้ฟื้นขึ้นมาได้ภาษาบาลีคําว่าฟื้นก็คือสันชีวะก็เลยเรียกท่านว่าท่านสันชีวะมานที่ว่าทูสีเนี่ยก็แกล้ง แกล้งพระในยุคพระเจ้ากกุสันทะเนยพราะพระพุทธเจ้าพืดนาว่ากักุสันทะเนี่ยวิธีแกล้งนะนี่ท่านเล่าให้พญามารฟังตอนพระโมคคัลลานะเป็นทูสีมานเนี่ยนะแกล้งพระพิสุผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติเลวไม่แกล้งแปลกใครๆยุคนี้แหละยุคนี้นะใครภาวนาดีๆนะ ถูกแกล้งยุคนั้นก็ถูสีมาเนี่ยจะแกล้งเฉพาะพระที่มีศีลดีและปฏิบัติดีวิธีแกล้งนะหาข่าวร้ายสร้างข่าวเรียกว่ามีสื่อในมือมีสื่อในมือแล้วก็ใส่ข่าวว่าพระองค์เนี้ยทำไม่ดีอย่างนั้นทำไม่ดีอย่างนี้ทาให้คนเข้าใจผิดว่าพระทั้งหลายที่ปฏิบัติดีเนี่ยนะ ไม่ได้เรื่องเลยเป็นพระเลวแล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่รับข่าวเนี่ยไปด่าไปด่าด่าเสียหา ย, หายกะว่าเมื่อถูกด่าแล้วใจของพระที่กำลังภาวนาดีๆเนี่ยจะหวั่นไหว mm. เรียกว่าเป็นการแกล้งโดยการใช้คำด่าของชาวบ้านพระพุทธเจ้า พักที่มีนามว่ากัคคุสันทะเนี่ยท่านก็ทราบท่านก็เตือนพระแบอบกว่าที่เชาวบ้านด่าเนี่ยนะไม่ได้ด่าเองจากจากการกระทำของชาบ้านเองแต่ถูกเสียมโดยทูสีมานดัะนั้นท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาจงเจริญเมตตาและแผ่ไมตรีจิตลตงไปให้เขามีความสุขปรารถนาความสุขให้กับ บุคคลเหล่านั้นใครแผ่เมตตาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้แผ่เมตตาตัวเองก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าถึงความพ้นทุกข์ขอให้อย่าให้ข้าพเจ้ามีความพยาบาทเบียดเบียนใครขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดเมื่อเห็นว่าตัวเองก็อยากได้ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์แผ่ ความสุขแบบนี้ความคิดแบบนี้ความเมตตาแบบนี้ค <h atur cringe tecnología> ือคิดอยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็คิดแผ่ให้คนอื่นมีความสุขด้วยทุกคนสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกนี้เหมือนกันขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความพ้นทุกอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นคิดแผ่ออกไปแผ่เมตตาเนี่ยมันมีอนุภาพมีอนิสงส์ใครเคยท่อง เคยสวดมนต์อนิสงฆ์เมตตามีอยู่ข้อหนึ่งคือภัยทั้งหลายไม่เบียดเบียนเบียดเบียนไม่ได้เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีทําอะไรไม่ได้ทําอันตรายอะไรไม่ได้เมื่อแผ่เมตตาไปแล้วเนี่ยคนทั้งหลายก็กลับเปลี่ยนใจคนที่ไม่ทันเปลี่ยนใจตายก่อนก็ลงนรกมีเหมือนกัน มารทาให้คนตกนรกหลายคนเพราะไปด่าพระเอาพอเห็นว่าให้คนด่าพระแล้วพระก็กลับเจริญเมตตาทําอันตรายอะไรไม่ได้มารก็มีเทคนิคใหม่ทำยังไงให้คนชมพระคนด่าพระมาเนี่ยนะพระอาจจะทําใจได้แต่คนชมพระเนี่ยทำใจยากว่าไหมเวลาคนถูก เราถูกด่าเนี่ยถ้าเราตั้งท่าไว้ดีๆนะรู้สึกว่าเราทําใจได้ทําพอพอจะตั้งสติทันใช่ไหมแต่ใครดา่าด่าเราเนี่ยทำสติทันแต่ใครชมเราเหลิงทันทีตอนเหลิงเนี่ยหลุดหลุดอีกแบบหนึ่งนะตอนโกรธแล้วหลุดแบบหนึง่งตอนได้รับความชมแล้วเหลิงก็หลุดอีกแบบหนึง่งขาดสติใจลอยเหลิงฟูอืม พยามารก็รู้เลยว่าจุดอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยของคนและพระทั้งหลายก็คือว่าคำชมท่านก็ไปทำไปสร้างภาพอีกแบบหนึ่งว่าพระเราเนี่ยดีทำสมาธิได้เหาะได้ด้วยโอ้ทำอะไรมีหูทิพมีตาทิพเก่งมากเลยเป็นพระที่ดีชาวบ้านทั้งหลายก็ชื่นชมชื่นชมแล้วก็มีลาบสการะมากคำชมและลาบสการะ ถ้าพระทำใจไม่ได้ก็จะถูกคำชมและลาบสการะนั้นครอบงำถ้าถูกครอบงำมารก็ได้ช่องมารก็จัดการสร้างข่าวดีๆคนก็ชมมีลาบสการะดีๆพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนพุทธเจ้ากุกุสันโธเนี่ยนะกุกุสันทะเนี่ยก็เตือนเตือนบอกว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจงจเจริญกรรมฐานข้อหนึ่งคืออสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยไม่งามทั้งในกายนี้และในกายโน้น <c oughs> กายอื่นด้วยนี่ก็ไม่งามอนุ น, นก็ไม่งามไม่ใช่อันนี้ไม่งามแต่อนุ น, นงามมันไม่งามทั้งคู่นะอันนี้ก็ไม่งามอนุ น, นก็ไม่งามจเจริญอสุภะแล้วจเจริญอาหาเรปฏิลด้วย เพราะโยมก็เอาอาหารมาเลี้ยงเยอะมาถวายเยอะให้พิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ข้างนอกนี่ก็ดูสะอาดดีมาสัมผัสกับกายที่เน่าอยู่ประจำอยู่นี่แหละกายนี่มันเน่าอยู่ประจำนะรู้สึกไหมรู้สึกว่าเน่าไหมยิ่งหน้าร้อนยิ่งเน่าเลยเน่าเร็ว <laughs> ตอนนี้ก็กาลังเน่าอยู่ใช่ไหม <laughs> อาบน้านะแป๊บเดียวเน่าแล้วส่งกลิ่นแล้ว ผ้าที่มาสัมผัสกับกายตอนสะอาดที่สุดคือตอนอาบน้ำเลยนะคือผ้าเช็ดตัวใช่ไหมเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยนะก็มาสัมผัสกายตอนที่มันไม่ค่อยสะอาดแล้วใช่ไหม αι? มีเหงื่อมีใครแล้วแต่ตอนที่สะอาดที่สุดของร่างกายเนะี่ยคือตอนอาบน้ําเสร็จใหม่ๆผ้าเช็ดตัวมาซับน้ำํำซับน้ําที่อยู่กับกายเนี่ยนะใช้ไปนานๆก็ต้องไปซักใช่ไหม αι? นั่นขนาดตอนที่สะอาดที่สุดแล้วนะ ทิ้งไว้านานๆก็เหม็นหึงเลยใช่ไหมต้องซักเพราะผ้านั้นมาถูกน้ําที่อยู่ติดอยู่กับกายนี้แสดงความเน่าขนาดไหนที่ดูผ้านั้นแขวนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องซักก็ได้ผ้านั้นไปโดนน้ําจากก๊อกเดียวกันที่โดนตัวเราเนี่ยก็ไม่ต้องซักก็ได้แต่น้ํานั้นติดอยู่กับตัวนะตัวขนาดที่สะอาดที่สุดแล้วเนี่ยเอาผ้าเช็ดตัวมาซับ ไม่ใช่มาดีอะไรมากนะแค่ซับให้น้ํามันออกจากตัวนี้เ่ น, นั้นเองน้ําที่โดนตัวแล้วไปซึมเข้าสู่ใยผ้าของผ้าเช็ดตัวผ้านั้นก็สกรปรกทันทีขณะที่สะอาดที่สุดแล้วก็ยังสกรปรกขนาดว่าใช้ผ้าเช็ดตัวถ้าไม่ซักใช้ต่อไม่ได้ทนไม่ได้กลิ่นมันจะฟ้องทันทีว่าเน่าแล้วนะที่เน่านะี่ยไม่ใช่ผ้าเน่ากายนี่เน่าเพราะผ้านั้นซับน้ําจากกายนี้ น้ำนั้นไม่ได้ผุดออกมาจากกายโดยซ้ำไปแค่โดนอยู่แตะอยู่กับผิวนิดเดียวเท่า น, นั้นเองเน่าละน้ำนั้นเสียทันทีให้พิจารณาอาหารเรยปฏิกูลอาหารนั้นสะอาดแตะถูกกายนี้ก็เน่าเลยน่าเกลียดทันทีบริโภคอาหารเหมือนบริโภคเนื้อของบุตรเคยได้ยินคำนี้ไหมเหมือนคนเดินทางกลางทะเลทรายหาอาหารอะไรไม่ได้ มีเด็กไปด้วยเด็กทารกเดินท่ามกลางทะเลทรายไปกับพ่อแม่และลูกลูกที่เป็นทารกเด็กทนกับอากาศร้อนและทนหิวไม่ได้ตายก่อนเสียใจกับการที่เด็กนั้นตายไปหิวอยากจะกินอาหารไม่มีอาหารอื่นเลยนอกจากเนื้อของลูกจะกินก็กินไม่ลงแต่จำเป็นต้องกินกินเพื่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่ได้กินด้วยความอเรอร่อย โอ้โหเนื้อลูกกูนี่อร่อยมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่กินด้วยความจำเป็นจริงๆกินอย่างนั้นท่านให้พระเวลาพิจารณาอาหารนะกินอาหารเหมือนกับกินเนื้อลูกเรามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกตายไปแล้วไม่มีอาหารอื่นเลยมีนอกเนื้อจากเนื้อลูกเราเนื้อลูกเราเท่านั้นเนี่ยให้กินอาหารเหมือนกับอาหารนั้นคือเนื้อลูกของเราจะไม่กินมากกินแค่อิ่ม พอดีพอดีเวลากินอาหารให้พิจารณาอย่างนี้สอนพระนะโยมมาไปใช้ด้วยก็ได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะพิจารณาอาหารว่าเป็นอาหาเรยปฏิกูลแล้วก็วางความเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายวางจิตให้เป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายเห็นความปรุงแต่งด้วยความเป็นกลางนะเวลาได้รับคําชมจิตมันฟูก็รู้จริงๆว่ามันฟู เวลาก็ด่ามาจิตมันมีปฏิกิริยาร้อนรนอยากจะโต้อตอบกลับไปมีโทสะเกิดขึ้นรู้ตามจริงจิตมันมีกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นมารู้ทันจริงๆกิเลสเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันอย่างนี้ไม่ใช่ไปไปปรับเปลี่ยนไม่ใช่ไปไม่ยอมรับแล้วก็ไปปรุงแต่งอย่างอื่นซึกกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาให้รู้ทันว่ามันไม่ดีมีความไม่ดีเกิดขึ้ น, นกับจิตท่านบอกไปสามอย่าง อย่างแรกคือเวลาเข้าชมมาให้มองตัวเองเป็นอสุภะเวลาเ็าถวายสิ่งของมาดีๆให้พิจารณาบริโภคแบบอาหารเรยปฏิกูลบริโภคเท่าที่จำเป็นมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจยอมรับตามจริงมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในใจจริงๆวิธีรับมือสถานการณ์เปลี่ยนไปวิธีรับมือคนละแบบเห็นไหม ตอนที่ถูกด่าท่านให้รับมือด้วยวิธีเจริญเมตตาตอนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านให้รับมือด้วยการพิจารณาอสุภะพิจารณาสิ่งที่ปริภคแบบอาหารเรปฏิกูลแล้วรู้ทันสิ่งต่างๆด้วยจิตที่เป็นกลางยอมรับตามเป็นจริงว่ามีกิเลส ต, ตัวนี้เกิดขึ้นกิเลสแบบพอใจก็มีแบบไม่พอใจก็มีรู้ทันจริงๆว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นมันเกิดดับ ตอนที่จิต ด, ดูด้วยความเป็นกลางจะเห็นของจริงว่ามันเกิดและระดับจริงๆตอนที่เห็นของจริงว่ามันเกิดและระดับจริงๆมันจะแสดงความจริงให้เห็นคือลักษณะของความไม่เที่ยงหรือความตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นอนัตตามองจริงๆอย่างนี้และจะเกิดปัญญาปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่ฉลาดปาดเปลืองรู้ ทั่วโลกทั่วจั ก, กรวาลอะไรที่ไหนแต่รู้ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนไปตามเหตุตามปัจจัยปัญญาอย่างนี้เท่านั้นแหละที่จะพาให้พ้นทุกข์ฉลาดรู้เท่าทันแล้วไม่ตกอยู่ในบ่วงของมานต่อไปจบ <laughs> จบพระสูตรจริงไม่ใช่พระสูตระจบคำอธิบาย <laughs> พัสดุนี้ต้องอธิบาย2ครั้งใครสงสัยอะไรไหมแต่มันไม่ได้อธิบายพะสูตรอย่างเดียวนะมีเรื่องอื่นประกอบเยอะแยะไปหมด